ความล่มจมของชาติบ้านเมืองเพราะต้นเหตุอันนี้สำคัญมากเดียอะเพราะเห็นแก่ตัวเอความโลกนะไม่มีมั่งพอมันสังหารขวดมากั้หลายแล้วความโลกมันยังไม่ได้เห็นโทษเลยเห็นแต่เราเป็นคุณเป็นคุณทั้งๆที่มันเป็นโทษเรื่อยมายมีดาี่ตกมากจริง เพราะเทศถอุดไม่ได้เวลาไปสัมผัสถึงต้องได้พูดว่าเราก็ทำประโยชน์ให้โลกคนหนึ่งแทบเป็นแทบตายอยู่แล้วในวงราชการแต่ละคนละคนจะพูดถึงเรืงการทำประโยชน์ให้โลกเราไม่ได้ใใจากราชการวงใดของเรายิ่งครอบทั่วประนทศ่ยิกว้างขวาประโยชน์กว่านั้น จะไม่เราพูดยังไงเราช่วยแบบส่วหามแทบเป็นแ ต, ตายเนื้อไม่ได้กินน้ำไม่ลดนหนักพนกระดูกแผลนคอนมคนพูดก็ต้องพูดเดี๋ยวนี้มันมันไดนขนาดนั้นนไม่ได้กินไม่ได้ความกิ น, นต้องออกหน้าเดีเดี๋ยวนี้ ก่อนเป็ข่าวลาง น, นี่เป็นอกหน้าแล้วนะงานการแล้วก็ตามถ้าไม่กินแ้งานนั้นจะไม่สะดวกงานนั้นจะเป็นไปไม่ได้งานนั้นล้มเลิกนี่สำคัญงานตามพืม้นฐานบ้านเมืองที่ใช้ความสงบร่วมเย็นนี่เป็นคือเป็นแปเป็นหลักเป็นเกณฑ์ชาวบ้านเมืองนี่อยู่ทาด้านหลังอย่างนี้งานจะกินมันอยู่ด้านหน้ามันดางขนาด น, นั้น มัอึบการเข้าไปในวัดในวาเข้าไปลมดเนี่ยเดี๋ยวว่าแต่มันอยู่นู่เลยใ น, ในวัดมันก็มีเข้าไปเรื่อยๆอย่าง น, อน้อยพวกโยกความรักษาวัดคาวาเนี่ยทำลายวัดทำลายวารายุทธายการมัคคายุทธ์วัดโ ว, วกนี้ก็กินมากนล่งเทือ เขาพูดถือบางเหียนเดียวกันที่ดินที่ตอนนี้สงลงโรงแรมห้องแถวแลวนี้ผวนี้กินเดียวทำงา น, นได้ค่าใช้จ่ายแค่นพวกนั้นเอาไปกินมากกินกว่ากี่เท่าผ ม, มรู้โมดตัวนี้ทำไมผมลยไม่รู้ผมรู้มาทั้งหลวงเทพยิ่งทุกวันนี้ก็ยิงจะบานใหญ่บาลตาใหญ่ เกลกายเป็หน้าด้ามัมมมม น, มม น, มนว พ, วพวกทำลายวัทำลายพระทลายศสนายมมากระตายยกกตายกอไรไมู้ผู้ให้หนทางคู้ชี้บอกแนวทางคนทาพี่บอกทางพวกกีดกันทางอี้ ก็จะถนัดมานเล่นมาเลยยกอยู่นั่นเป็นนายพระด้วยกรมนายพระ้ว่ามันเหมะกพอดีก็นั่นก็พอดีกันแหละกับพระหมะหอกหัวไปเขาเหยียบหัวไม่หัวจนโดนไม่มีสักสีเลย ถ้าลงจิตมันเป็นโรคแล้วอะไรเราก็อัน น, น, อนั้นที่เรียเที่ย่หมงดลองเรียนตอนหน้าต่อตาแล้วอย่างนี้ไม่มีใครโกหกนะ้คก็พาเหมือนกัจออมหนักในํำนาจในอะไรมัน คายมันสัมพันธ์ผนี่นะจนลืมตัวเราผมเคยพูดเล่ฟังผลผลิตเห็นตัว เ, นะ เ, เล็กเนี่ยเขาผลิตมานานกว่านั้นแสนนานกว่านั้นอยู่แล้วเห็นไหมแล้วมันเกินอย่างเา้าเราเขาปีนี่ดิมันที่มันดูเล็กนะกีดกันซะบง้ง ใหญ่ขนาดนั้ น, นนะมาที่กขาปรุงลองนแต่ถทามาผมุงมยมมาเย ม, มนะวะถ้าไม่ใช่ทำนะวะคขอขาดเหมือนกันนะ <c oughs> พุงทะลุไปเลย <c oughs> ถ้าเป็นทำน้ำหมอกทันทีแบบที่เียกนี่นเคยเจี๊ยบเคยแฉกมาแนละ้วถ้าพูดเ่าจะพูดถึงองค์กรเจีนยบจะมาแยม ตอนนั้นตาพูดกิริยานังเนี่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะขู่จะเข็นเรานะแต่เขานิสัยเขาเคยมาอย่างนั้นเนี่มันก็ออกมาตามนิสัยต่างหากนะดีของรูปรองงาากกของเร า, าเราลงมาราคุกิจที่เขมาแสดงธรรมกระสอบเฉลีแล้วก็ลายใช่ไหม เพราะดิที่ถนัด เ, ดาาเทห่างกุฏิผมพอสองเส้นเหมือเส้นกว่าวยากมากเส้นกว่าอย่างนึงก น, นึ่งเส้นพอจะวิ่งห้านาทีวิสีนาทไล่นนนนนยนลงไปเราก็ลงตามหลังออกจะป เหตทิพโกรธต้อมเด็ดเขาบอกในเวลนึ่งห้นาทีเนาะห้านาทีาเขาก็แตกเือลาไปแล้วก็เราเดินตามหลังมันขมเดือัหานาะเดินตึนนกๆๆๆติดตินะดติดมามีมามมบีคอผมไป <c ười> นักขนักท่าทางขึ้ผมลงไป เขาคงจะมองเอห็นจำได้หรมั้งเขาที่ไม่ได้ถามว่าเป็นไก่ท่านทำไมท่านทำไมอยู่นึ้นนเวลาแล้วนี่กว่ามันนะ ห, หูทากลางทางเห็ไม่ได้แล้วไม่าท่าไรแล้วสามนาทีนี่งั้2สองนาทีครึ่งหรือสามนาทีนี่โน่นนั่กาเปลวโยมมันไม่ได้แล้วเนี่ยเราททางนัน ไหนนกคำเท่านนกปีมาบาขว่าออกมาไหนหลังนี่กว่าชีคนใหญ่โไม่ได้ไม่ได้คุณไปหามาดานบเดียวไม่ยากนะ้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้คุณไปหาม า, า, ามมด้ว ก, ก็เดินผ่านเลยมันเคยขู่พระเคยเป็นนายพระเมิ่ขึ้นธรรมานึงได้เห็นฤทธิ์ วัดแหลกหมดเลยไม่มีทุกชั้นรันาบมันอยู่นั่นแล้วเทศตามเหตุตามผลตามกฎเกณฑ์อธรรมกินแต่ไม่ก็เด็ดทองมันอยู่เ น, น, น่นใส่ไม่เคยทิ้งเคยทิ้งเลันนีส่เสคลฝนั้นก็เป็นก เ, เป็นยีเดียภายนอกนี่มันก็เหมือนอย่างนั้นแต่ภายในของเราไม่มีแล้วมีอะไรมีที่ระบายเรื่องกาเราไม่คุย เป็นอย่างนัน้นเราก็บอกงี้ยแขกเงินชวนเป็นไฟเลยกนะ็มี อ, อ, อย่าีไฟอะไรทำมาเป็ดนี่ทีงกล้าพูด ก, กากำลังเจตจิตกำลังของธรรมนี่านี่อยากมากตัวนี่เดีเข้าไปทำงาน ย่ำย่ำทำลายองศาสนาว่าลวาว่าถ้าเน็ตตันแหล็ดแล้วไม่รู้ตัวเลยนทุเรศตรงนี้ที่ไม่รู้เลยวาอะไรปลอมอะไรกินมันแฝงกันไปถ้านมัดจริงนะปลอมถ้านอัมจริงสักห้าห้าบาทถ้านมัดปลอมทุกเก้าสิบบามันแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปมองเหมือนเหมือนกันมองเหมือนเหมือนกัน เลยไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลออะไรความพิธีศาสนาอะไรความศาสนาอะไรก็ศา ส, สนาเลยนั่นป้อมมันอยู่ในนะั้นการก็กก้กาะควาเปลี่ยนการเพื่อปฏิบัติของวงปฏิบัติเรามันก็เหมือนกันนะอะไรเราเป็นขวาวัด ป, ปฏิบัติอะไรเราเป็การปฏิบัติดีเราเป็นไปตามศีลตามธรรมการใช้ระโยการใช้ประโนนี้ ของปาและของพรากรมฐานนี่นั่นมีการศาใบมันแทกมาแทรกมาเกินเหมืนัแล้วมั น, นมมเป็นเรื่องของงาองที่ก่อนนันก็มีแต่นี่เป็นต่างานกิจลอยไปตา ม, มายยาโลกกลางสา้ มันจะเป็นนักปนนิพานมาจากไหนอีิที่มันลอยไปบตามโลตางสามตามนี้นิสัยของมันทีเปยเป็นมาเพราะอำนาจของยุเดชชุลลาบบอกไปเห็นไหมถึงเวลาจนจ ะ, น ะ, นนะมันมเปลี่ยนท่านแบบนันมันมีนั่นหรอพระคอยดูหน้านะหน้าผมไหมเวลาถึงน่นามาคนเห็นแก่ตัว ไมไ่คิดถึงบงบัวนะเพรได้เวลาถึงสองมาทีเดียวนี่ผมเคยพูดเสมอแล้วก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆให้หนักอกหนักใ จ, จตายหลังสอนพอใจนานในหลังมันก็เป็นไปอย่างนั้นแท็กมันแจงเข้ามาเฮ้ยไม่ได้นี่เหมือนกันนี่แล้วนะ ว, ว่าธรรมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติทำมากขวางทำมาขวงว่าข อ, ของหวานไม่ได้คิดถ้าคิดอย่างนั้นต้างก็จะดี แล้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นจนอ่ะมันจะเป็นสบายของแม่ผู้จดเราอกจะแตกคอยจะ่มวัดตวการเพื่อความเรียบร้อยเพราะมันเหมือนลิงเหมือนข้างมันผีเหมือนยักษ์มันก็มีมันแทรกเข้าไปแล้วนะมีลูกของข้ามนะมันมีอย่านนั้นนะมันแตมกับการ เนี่ยเปำลังจะสวมรอยเข้าไปไเรื่อยๆบางทีเหมัอนน้องไนว้หนักขึ้มันไม่มีการมีมถานที่ไม่มีบุคคลเลยถ้า ม, มีสมัยใดญ่ๆเลยมันจะทำงานแล้วมันเต็มตัวลตลอดเวลานมนหัวใจของพระของเนรเรา มีจอปะนีให้กายมาพักาพักตัวเลยรตัวขาตัวขาน่าวผมละอาแล้วนะมามันเลอกๆเธอมันจีบมันความเก็อยอกันใครพวกมานี่ฮะมันกายพวกมานี่ผมครับผมชื่อว่าไงนาทีครับทำไมถึงไม่ดูวเวลาบ้างเพื่อนมาแล้วองค์ไหนนั่นฮะ เดียังพอทำเนาผู้มาใหม่นี่ถ้าเป็นเท่าเก่าในวันนี้ไม่ได้เดียววันนี้จะเอากันแหลกเดียวความเห็นแก่ตัวไม่มองบุหน้าดูหลังอะไรอันนี้มาใหม่ยังไม่รู้เรื่องรูหราวงอเห็นแก่ตัวไม่มองเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกว้างขวามออกไปมากมายยิ่งกว่าความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นยังไงไม่มองกับมัน เนีย๋ยวนี้วัดตางๆมันจะเหมือนกับคูตปตะรามกันนะมันค่อยปิ่นปิ่นปินเหมือนนักโทษจะจะออกจำเดือนจำแต่ถ้าออกจริมันก็ไม่ยอมออกมันมาให้ขวางตายอยู่นี่นะห <c oughs> ล้งวันศร์กวันนีก็เห็นท่านอาจาร์ครับท่านตะวันไปยืนคอยรออยู่นู่นน้ำบ่อนู่นมาคอยสมบัตรอะไรกันอู่เ้าฮ้างอยูน่นะนแ รถมานี่คุณมันะไปจากนี้ประตูบ้านนี่ก็ได้ถ้าไม่ตั้งใจจะทลิยนทะไเป็นแบบาบ้าๆนี่ดูไม่ได้ะมันสะดุดๆาดุดดุดตอหยิง่งมีการทำอะไรบ้างแล้วนั่นอาจจะจนล้วนลายของพระที่มันออกเต็มทีม่หมดลาดยลาดูไม่ได้ มันอดคิดไม่ได้นะสะุ้ปั๊บมันจะต้องวิ่งทันทีเรื่องความคิดเพราะเราเป็นผู้ปกครองแล้วอาจทําอยู่หัวใจของทุกคนขี้เหร่เน่ยก็มีอยู่หัวใจของทุกคนทําไมมันจะไม่รู้เรื่องรู้ราวรองนี้มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับใจแท่มันค่อยจะแหวกแนวแวกแนวอยู่ฉินอกจะแตกนะมันเข้าในแนวมันไม่เข้ามันแวกแนวอยู่ มากนมาหลังมาอ่หนานไม่นา น, นก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยหมดในจิตเรียนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการก่อนรรรรรรรรรรรรรรยรรรรรรรรรรรร้าวรรรรรรรรรรรนมันรรรรรงรรรรได้รรรรรรรทรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรมรรรรนรร่รรรรรรรรรรรรอยรรรรรรรรร พระมนะัมามาน อ, มอ่อนางไรเอดนะร่างอะไรมาจะวัดไหนล่ะพระในวันเนี่ยดูมันแปลกมนะง่มงห่า ง, ง, างที่ไหนเป็นพานเป็นพาน มันสะเทือนใจอยู่ตลอดงวมงหน้ามุมตาในสมองฟ้าเด่นเต็มหัวใจหรอกมันมีแบบสู้แบ่งรักแต่เวลานั้นกระเทือนทางหูต่างๆสัมผัสทางหูต่างๆแล้วมันอดกระเทือนไม่ได้เลยมันอะไรมัน ม, มันมากระเทือนถ้าไม่ใช่เรื่องผิดทําจะมากระเทือนอะไร ทำมาใจเ่องเทวทัศนดูที่กิริยาของพระเราจะพูดอย่างนั้นนะก็มันเป็นความจริงอย่างนั้นเราได้รับหมูกขนไว้สําหรับกูเข็นเหยียบย่าทําลายยกโทษยกก่อนหมู่นเรายับรับไว้เพื่อส่งเสริมเพื่อธนุพงดูแนะนำตั้งสอนรูน้จักผลดีชั่วเพื่อจะยกยอ ก, กันขึ้นเรามีเท่านั้นแต่เทวใด เรื่องมันถึงได้โกงข้างโกงข้างเห็นผ้าแล้วมือมันมันทำได้กระเทือนกระเทือนอียาาการแสดงออกมันเหมือนผีพอสัมผัสแทกเข้าไปเอาละเป็นได้เป็นมือมาแล้วบั้งกีดเบียร์ไว้ไม่อยากกรรำนะมันก็มาเต็มอยู่ฝ่ามือบนฝ่ามือเนี่ยมันไม่อยากเห็นมันก็เห็นนึกว่าอะไรละเนี่ยไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยิน ท่านท่านจะพูดอยู่เสมอแลอ้ยมันจะว่าผลพานมาจากไหนเมื่อมันเต็มฝ่ามือเต็มฝ่ามือมันกระจายไม้เต็มฝ่า ม, ามอืออหยื่อแล้วระยะความเหม็นไทร่ไม่มีมีแตความคึค้นขนนอนความเผลอต่างๆมันจะเข้าไปถึงขั้นที่แบบไม่เอาไหนนะครั มีเลือวผวู้่ก า, า, กากิเลีกิรยาอย่างนี้อากับกิรยาอากับกิรยาขงข่ากิเลส น, นั่งนานเวลาออกจากกีนนีแ้ตัวแข็งหมดหมดมนติดใจ เราลืมมานั่นเระเนไม่ได้ให้ในถวายในหลวงเอาอากาศต้องปีดของตังนี่าลเรื่แล้วก็ลืมอยนีได้แต่ยี่ม้วนเหรอยี่สม้วนแล้วเทโอนพระประมาณเท่าไหร่เทโซนพระสิบหม้วนอ๋เอาการินนะท่านมาแต่ละพาะตัวอาถรรพขังกันในลวง สภาพเผื่อาตะกอนกลัวท่านจังมากท่านจัที่ประธานจังดุเมื่อฟังไปฟังไปฟังเทสเข้าไปหนักเข้าหนักเข้าบอกว่ายอมรับเลยท่านประธานเลยบอกว่ยอมลับว่าตะกอนคือประธานจาังดุเราก็ไม่ตอบว่างเพราเรื่องของทนพี่เ การมีอกาการเกก็คือการเป็นการเก็ตที่จะให้ถึงใจแงกความคิดทางนั้นรานั่น่องแง่คนโ่มัน่มากอาการทยงนั้นเป็น่ความคิด มาดุดมันดุก็เป็นงานแ่งที่าดุกลางๆสักว่าถ้าคนไม่ได้ชมพระว่ามีอันนี้เป็นกึ่ใหญ่กึ่งน้พือคนจะได้ปิบัติเก้าการไม่มาคนมอะสบายมามาจากกับประชาคน ค้างแข็งนี่ฉันยังไม่สว็จมาเองให้เข้ามาเรื่อกลุ่มเข้ามาวันพวกทหารีิรักษาเนี่ไม่ให้เข้ามาเลยนีวือเราเข้ามาพบได้เห็นใจัีเลยตรงนี้ ความมึงความรึกงความรับริดชอบมางอยู่มาก่เดินแค่เดินผ่านอย่างนี้เขาเลยมโทแอามัมนออก็ยัเอาคนยังดีไม่ถึงกับตั้งทักทายเลยมันก็เดินผ่านก็พอเดินผ่านไปผ่านาคนาเดิ ม, มองเห็นถามว่าจะเข า, ารับูชา การความคุณรับความีกับเขาเป็นทั้มันมีอะไรไม่ได้ออยู่ข้างนอังมก็มเลยเออกเขาไม่เสียเสียใหลังกระจากาพรรดกับพระมหา ก, กุทธเจ้าุพ่อแม่ของค้าบ้างมาเพาื่อว่าเถึจริงใจในขนาดเดียวกันเพราะ วัดความากของประชาชนท่านเขาเป็นคนของประชาชนเป็นพ่อแม่ของระชาชนบ่าน้อยพวกป่วยด้วยสมมติว่ามีนเวลาเสด็จผ่านเมื่อใกล้กับตามเขาก็มีใจแต่ความนี้รู้สึกว่ามาหงอยกันากกของมุมเราเหมืนกัน เขาไม่ประกาเป็นรางการนันเพราะท่านมุ่งเราก็เห็นเห็นใจท่านท่านมุ่งทุ่จะมาหาวัดนี้โดยเฉพาะการรับสางมาจากงลงแล้วไม่ได้ร่อนรับประชาชนทั้งปวงแล้วสองเวลานับแต่ลงระบินมาที่นี่กลับไปถึงระเบียบไปขึ้นระนบียสามกีม่โมง ท่านาเวลาเว้วยพากมาเนลเวลานั่งรับเสดท่านอเราไม่่มผ้า่านเลยวิจารทั้งสองโบวเพราหนาวอ่านเลยมองกันแล้วเราก็รู้ ว่ท่านแสอาการลักษณะคือกับเราไปดูทรายพรลงมาในดุมมะลูกก็ขวาแบบดาเมาเลกว่ากลัวอาจารย์สนามมากท่านมันหลงเป่าเพราะเรจะมาอยู่นี่มานๆถาว่าประมาณครัสองคุมวางกันนะาดูหนึ่งชุดสองกันเลย อืนขม้นมงาดหงิดกลัวฉนจะหนารักลัวันจะไม่สบายว่าไม่สบายใจเหมือนจะมาทำาท่าจ็ป่วยอะไรอยนเพราะหนาวมากว่ารู้สึกเช้ใจที่ม้นก็ตั้งนานตามใจที่มุงหวังมาก่าคอยู่ไฟที่ไหนก็ตามมึง